รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปริวีมังสนะสูตร 2. อุปาทานสูตร 3. สังโยชนะสูตร 4. ทุติยสังโยชนะสูตร 5. มหารุกสูตร 6. ทุติยมหารุกสูตร 7. ตรุณรุกสูตร 8. นามรูปสูตร เก้าวิญญาณสูตรสิบนิทานสูตรเจ็ดมหาวักหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญหนึ่งอสุตวาสูตรว่าด้วย ผู้ไม่ได้สดับข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเกษตีเขครุงสาวถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุุชนผู้ไม่ได้สดับพึ่เบื่อนายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสี่นี้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 ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตันหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ จึงไม่อาจเบื่อนายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปูทุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตด้วยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสมปีบ้างสี่ปีบ้างหปีบ้างสิปีบ้างยี่ปีบ้างส0สิปีบ้าง40สิปีบ้างห้าสิปีบ้างร้อปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้น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 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จูโพรมาจันแล้วทำกิตที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอสุตวาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยอสุตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สะดับสูตรที่สอง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อนายบ้างคลายกำนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดี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 ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผูททั้งสีน่นี้โดยความเป็นอัตตายัางประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสีนี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสาปีบ้าง4ปีบ้าง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 เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ ที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั่นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา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 ปุตตะมังสะสูตรว่าด้วยเนื้อบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง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 วลิงการาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนพันยาสามีทั้งสองถือเอาสเสบียงเล็กน้อยเดินทางกันดานเขาทั้งสองมีบุตรน้อยหนึ่งคนทั้งน่ารักและน่าพอใจขณะที่พวกเขากําลังเดินทางกันดานสเสบียงที่มีเพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานของพวกเขายังไม่ผ่านไปยังเหลืออยู่ไกลลําดับนั้นเขาทั้งสองตกลงกันว่า เสบียงที่เหลืออยู่เล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารยังเหลืออยู่ไกลทางที่ดีพวกเราช่วยกันฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรก็จะข้ามพ้นทางกันดารที่เหลืออยู่ได้เราทั้งสามอย่าพิน้าพร้อมกันเลยต่อมาพัญญาสามีทั้งสองนั้น ก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนั้นทําเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นแหละจึงข้ามพ้นทางกันดาร น, นั้นไปได้พวกเขาบริโภคเนื้อบุตรไปพลางทุบอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยอยู่ที่ไหนบุตรน้อยอยู่ที่ไหนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือพวกเขาบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมา หรือเพื่อตกแต่งเพื่อประดับร่างกายหรือหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะพวกเขาบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะข้ามทางกันดารให้พ้นหรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานิฉันใดอุปไมย ก, ก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นกาลีงการาหารเปรีบเหมือนเนื้อบุตร เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวเลงกะราหานได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากการมคุณห้าเมื่อกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากการมคุณห้าได้แล้วสังโยต์ที่เป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มี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 กกไม่ว่าแม่โคตัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวนั้นจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นผัสสาหารเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้แล้ว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 มโนสันเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วคนเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งต้องการมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษมีกำลังสองคนจับแขนของเขาคนละข้างชุดไปลงหลุมฐานเพลิงทันใดนั้น เขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะไปให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเราจะตกหลุมฐานเพลิงนี้เราจะต้องตายหรือทุกข์ปางตายเพราะเหตุนั้นอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมข้อฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นมโนสันเจตนาหารเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเมื่ออริยสาวก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 อาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเคยเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชามีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลาย จงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหาร น, นักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเช้าวันนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงสักถามราชบุรุษทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าค่ะ จึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาที่ยังวันราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหาร น, นักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาที่ยังวันต่อมาในเวลาเย็นพระราชาทรงสักถามราชบุรุษทั้งหลายอีกว่าท่านทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่า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 ซึ่งมีการประหาร น, นั้นเป็นเหตุมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเขาถูกประหารแม้ด้วยหอกหนึ่งเล่มยังได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีการประหาร น, นั้นเป็นเหตุไม่ต้องพูดถึงเมื่อถูกประหารด้วยหอกสามร้อยเล่มภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นวิญญาณอาหาร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 ทิราคะสูตรว่าด้วยราคะมีอยู่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดารงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง กวลิงการาหานที่หยาบหรือละเอียด 2. ภาษาหานสามมโนสันเจตนาหารสวิญญาณอาหารอาหารสีอย่างนี้เป็นไปเพื่อความดารงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดถ้าราคะความกำหนัดนันติความเพลิดเพลิน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 ตันหามีอยู่ในมโนสันเจตนาหารถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในวิญญาณาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชาราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชาราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความโกรนกระวายและมีความรับแค้น เปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีแดงอ่อนช่างย้อมหรือจิตรกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษให้ได้สัด ส, ส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดาษที่ขัดดีแล้วฝาผนังหรือแผ่นผ้าอุปมาณิฉันใดอุปไมยข้อฉันนั้นถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในเกาลีกราหาน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 ที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความขับแค้นถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในภาษาหานถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในมโนสันเจตนาหานถ้าราคะนันทิ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 ที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวงกระวายและมีความขับแคนภิกษุทั้งหลายถ้าราคานันทิตันหาไม่มีในกวลิงกะราหานวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกะราหานั้น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 ที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความขับแค้นถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในผัสสาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสันเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณาหาร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 ที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความขับแค้นเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศ า, าลาเรือนยอดมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศ ต, ตะวันออกพอดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่าง จะพึ right? สงพพส่าาส <aded heart> สองไปที่ไหนส่องไปที่ฝาด้านทิ่ตะวันตกพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีฝาด้านทิ่ตะวันตกเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีแผ่นดินเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่น้ำพระพุทธเจ้าค่าถ้าไม่มีน้าเล่าแสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหนไม่มีที่ส่องพระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมค้อฉันนั้นถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในกวลิงกราหานและถึงถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในภาษาหานถ้าราคะนันทิตัญหาไม่มีในมนโนสันเจตนาหาน PM. ถ้าราคะนันทิตัญหาไม่มีในวิญญาณาหาน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 นักระสูตรว่าด้วยนครพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติ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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเราได้ดาริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีละถึงภพจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีผัสสะจึงมีสลายตนะจึงมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี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 ผัสสะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าสมุทยัยสมุทยัยเราได้ดําริว่าเมื่ออะไรไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับเพราะมนสิการโดยแยกคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเราได้ดมาริว่าเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีละถึงภพจึงไม่มีปุปทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มี ภาษจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะมนุิยการโดยแยบขายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเราได้ดำริว่าเพราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับ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 เขาเดินตามทางนั้นไปพบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สะโบคอรนีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยต่อมาเขาเดียกกราบทูลพระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอมาตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงรับรู้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะ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 ขอพระองค์โปรดให้สร้างพระนคร น, นั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์จึงได้สร้างนาคร น, นั้นขึ้นมาต่อมาพระนคร น, นั้นได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นทั้งถึงความเจริญภัยบูนอุปมาณิฉันใดอุปมมค้อฉันนั้น เราได้พบทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสเด็จพระดําเนินทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสเด็จพระดําเนินเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้เท่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาส ม, มาธินี้คือทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสเด็จพระดําเนิน เราก็ได้ดำเนินตามทางนั้นได้รู้ชัดชาาและมรณะได้รู้ชัดความเกิดแห่งชาาและมรณะได้รู้ชัดความดับแห่งชาาและมรณะและได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาาและมรณะเราได้ดำเนินไปตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดชาติและถึงได้รู้ชัดพบได้รู้ชัดอุปาทาน ได้รู้ชัดตัณหาได้รู้ชัดเวทนาได้รู้ชัดผัสสะได้รู้ชัดสลายตนะได้รู้ชัดนามรูปได้รู้ชัดวิญญาณเราได้ดำเนินตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารได้รู้ชัดความดับแห่งสังขารได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร ครั้นได้รู้ชัดอริยมรรคมีองค์แปดนั้นแล้วเราจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ น, นี้จึงได้บริบูรณ์กว้างขวางรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วนักรสูตรที่หจบ